อุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทะรายการสัสนิยนสนทนานะคะสันนินาคพงดําเนินรายการาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะที่ชั้นจะสนทนาธรรมกับพระมหาภบูบุ์อภิปุณโณแต่ว่าพิเศษสําหรับสองสัปดาห์นี้ก็เป็นการทรงกันบ้านที่เคยบอกกับท่านทั้งหลายว่าเรามีการเดินทางไปสังเวชนียสถานร่วมกันกับทางวัดของพระมหาภัยบุญอภิปุณโณคือวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นี ภายใต้การนําของหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะคะนั่นก็คือหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดธิโตภาโสไปกันร้อยหกสิบสี่คนอยากให้ท่านที่ไม่เคยไปหรือเคยไปมาแล้วก็ได้รับรู้นะคะว่าการเดินทางนั้นเป็นอย่างไรสถานที่สำคัญของพระพุทธองค์มีความน่าสนใจกันอย่างไรวันนี้ก็น่าจะมาถึงการรวบการเดินทางจนถึงเราเดินทางกลับกันได้ นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเวลานั้นเราไปพบกับการนำปฏิบัติธรรมโดยท่านพระมหาพบูลอภิปุโนโนกันก่อนนะคะนมักการะท่านคะเดี๋ยวบอลเรามาเริ่มการปฏิบัติด้วยการตั้งสติของเราขึ้นหนึ่งในอนุสติ1ิบอย่างนั้นคือเรื่องของมรณะสติคือการระลึกถึงความตายมารณะสตินั้นไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่าเราจะตายจะตายจะตายแต่ว่า การสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นการที่มองโลกในงแงด่ดีคือเห็นทั้งข้อเสียเห็นทั้งข้อดีและยังมีวิธีทางออกด้วยมนุสตินั้นเป็นวิธีการพิจารณาที่พิจารณาให้เห็นก่อนว่าเหตุปจัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเมื่อเหตุปจัจจัยแห่งความตายมีมากเช่นว่าบางทีกับรถอยู่ดีๆมีรถกันอื่นมาชนตุ้มเราตายหรือบางทีเราเดินอยู่ในห้องน้ําลื่นล้มลงหัวฟาดพื้นตาย หรือให้ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะที่ทาให้มีความตายเกิดขึ้นพอเราพิจารณาเห็นจุดตรงนี้แล้วให้เราตั้งจิตวิทยตั้งจิตวิทยาพิจารณาดูให้ดีว่าเอไอความไม่ดีความชั่วมีอยู่ไหมใน ใ, นใจของเราที่ถ้าเมื่อเรายังมีอยู่เนี่ยจะทำให้เราไปในที่ที่มันไม่ดีแต่ถ้ามีอยู่ให้รีบละเสียให้รีบละเสียเหมือนคนที่เขาจะพยายามที่จะดับไฟที่กําลังไหม้ผมไหม้เสื้อผ้าอยู่ก่อนที่จะไปทําอย่างอื่น แต่ถ้าเราพิจารณาดูรู้อยู่ว่ามันไม่มีและไม่มีความชั่วความบาปความผิดที่จะพาให้เราไปในที่ไม่ดีแล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมดระลึกถึงความดีนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของมา น, นะสตินี้พระพุทธเจ้าได้สอนอยู่บ่อยๆเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเปรติโกศลมาถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุว่าเอ๊ยังจะต้องมีกิจที่จะทา อะไรต่อไปอีกอยู่หรือไม่ในช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยท้ายพุทธกาลละที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศล น, นั้นครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วจมลปุถุวีปพระบระชาได้เตือนพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลถึงเรื่องของความแก่และความตายนี่แหละว่ามันเป็นเหมือนกับภูเขาหินที่กําลังบดขยี้เข้ามาจากทุกทิศ ท, ทุกทางไม่มีใครที่จะหนีรอดพน้นความแก่และความตายได้เลยเมื่อมีความแก่และความตายเกิดขึ้นแล้ว เราควรที่จะทำความดีประพฤติธรรมสร้างกุศลบำเพ็ญบุญในที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลในที่พระวิหารเชตวันในเมืองสาปถีด้วยคำที่ผูเป็นกาถาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภูเขาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตาย ก็ฉะนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกริยัพวกปรามพวกแพทยพวกสูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิน้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถ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 บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นลาโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องของการพิจารณาถึงมรณสติคือไม่ใช่คิดแต่เรื่องตายแต่คิดเรื่องของกุศลธรรมให้เราตั้งจิตไว้อยู่ในกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะพิจารณาทําได้อยู่ตลอดทั้งวันเลยเจริญพรสาธุค่ะค่ะ พอขึ้นคําว่ามรณะปุ๊บนี่ตกใจอืถ้าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะบางทีอาจจะอุย้ยอย่าพูดไม่พูดไม่พูดอืนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องตายเพียงแต่ว่าให้คิดถึงเรื่องกุศลใช่เป็นการเตรียมมรณะสะติไว้ใช่ค่ะคือลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการยอมรับความจริงแต่คือไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่ยอมรับความจริงว่าเอ้ยมันจะตายแน่คนเราเนี่ยนะ แล้วเราควรจะทํำยังไงก็ควรตั้งจิตไว้ในกุศลธรรมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาถึงการเดินทางต่อกันดีไหมคะใช่ที่วานนี้อยู่ที่สาวัตถีเลยนะคะสาวัตถีใช่ในพระสูตรเรื่องนี้พระเจ้าเปรสยญที่โกศลมาถามพระพุทธเจ้าตอนใกล้ๆกล้ท้ายสมัยพุทธกาลแล้วก็คืออีกไม่กี่สิเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพพานพระเจ้าเปรียญที่โกศลเองก็จะสมณโคตได้มาถามเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ด้วยระบบการเมืองการปกครองวิธีการทางการทูตพระเจาเปรสิเดนิโกโสนเนี่ยก็ได้รับยกย่องจากกษัตริย์ในชมบุทาวีทั้งหมดว่าอ้าท่านเป็นใหญ่ท่านเป็นเลิศกว่าทุกคนแล้วกันก็เลยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ<ช>แต่<ะ>แต่ว่าไม่ใช่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆนะคือพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยคุณต้องมีช้างแก้ม้าแก้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าท่านไม่ได้มีคือได้รับการยกย่องเฉยๆอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะยกย่องว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่างๆกันใช่ไหมแต่เนี่คือยกย่องเฉยๆ แต่ว่าไม่ได้เป็นจริงๆตามโดยที่พระพรุทธเจ้าบอกสอนอย่างนั้นเลยนะทีนี้ว่ายกย่องอย่างนี้แล้วแล้วยังไงจะทําอะไรต่อดีพระพรุทธเจ้าก็จึงสอนถึงเรื่องว่าเอาให้ทําความดีประพุทธทำพระพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญเรื่องนี้ก็ตรัสที่เมืองสาวิตรีวัดเจตวันนั่นเองแต่เป็นลักษณะของกษัตริย์ที่เขาจะปกครองโดยธรรมที่เขามักจะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่เสมอเสมอพระเจ้าเประเนนสนาธิโุณสเองเนี่ย ท่านก็จะมาถึงที่วัดเชตวันก็จะพักกองฐานไว้ที่หนึ่งเปลี่ยนเครื่องแบบถอดเครื่องทรงพระราชาที่มันอลังการวิริศมาลาออกแล้วก็ใส่เครื่องแบบที่มันเหมาะสมในการฟังธรรมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ที่เมืองสาบถีนอกจากมีพระราชามาฟังธรรมพวกชาวบ้านร้านตลาดอะไรก็มาฟังธรรมแต่ตัว เ, เขาเรียกว่าอะไรญาติของพระพุทธเจ้านะาติ พระญาตอ่าใช่คือพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่วงโคตแล้วใช่ไหมแล้วก็น้องสาวก็มาแต่งงานกับพ่อจูบ้าคือพระเจ้าสุดโตทนะแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนคือลูกต่างมารดาเลยนะวางง่ายๆนะคือนันทาและนันทะพระนันทะแล้วก็มีผู้หญิงชื่อว่ารูปานันทะแต่พระนางรูปานันทะก็บำมบัลุธรรมที่นี่ที่สาวัตถีนี่ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่ธรรมสภาพราะนางรูปานันทาเนี่ยเป็นคนที่สวยงามมากแล้วก็ติดในรูปมากแต่มาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยเพราะว่าก็ญาติบวชหมดแล้วเนี่ยแม่เจ้าชายสินตทะเสด็จพี่ใหญ่ก็บวชแล้วพระนันทะก็บวชแล้วการบวชพระนันทะ น, นี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ให้ช่วยถือบาทให้กลับมาแล้วก็จับบวชเลยอย่างนี้ก็เหมือนกัน นะรูปปัตนาทานี้ก็บวชเพราะว่าญาติๆของเราบวชมาแล้วราจนทำไรฉันก็บวชกันแล้วกันก็เลยบวชเป็นภิกษุณนะีแล้วก็ไม่ยอมมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องของความไม่สวยงามเรื่องความเป็นอสุภะก็ฉันยังสวยอยู่ฉันยังรูปงามอยู่ฉันไม่ไปฟังหรอกกลัวพระพุทธเจ้าจะติเตียนเรื่องโทษของความสวยงามอะไรต่างๆก็เลยไม่ไปฟังธรรมแต่ว่า สุดท้ายก็ได้ยินคนนั้นพูดถึงว่าโอ้ฟังทำแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองก็เลยว่าเอองั้นฉันก็ไปฟังบ้างก็ได้นะแม้จะพูดถึงเรื่องความไม่สวยงามของรูปจะพูดได้เท่าไหร่เฉียวใช่ไหมก็เลยวันหนึ่งก็เลยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าน น, นั่งอยู่ท้ายหมู่เพื่อนเลยเพื่อที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองมานี่ยแต่ว่าก็เทศสอนคือเทศเจาะจงที่จะโปรดให้อุบานันทา น, นี้ฟังละ่ะก็ได้บรรลุธรรมที่นั่น ท, ท, ที่เชตวันนี้ ไม่รู้เป็นประอรหันต์ในภิกษุณีรูปแบบนั้นต่างแล้วก็ยังมีเรื่องที่ดราม่าหลายๆเรื่องอย่างที่รามาเล่าให้ฟัง <Okay. S 2> เช่นนางปตาจาราอย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 2> เป็นภิกษุณีที่มีความสามารถสูงแต่ว่าก่อนที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีได้เนี่ยเจอทุกข์มาอย่างมหาศาลทั้งลูกที่เกิดจากคันของตัวเองสองคนก็ตายสามีก็ตายพ่อแม่แล้วก็พี่ชายก็ตายหมด ที่สามีตายเนี่ยสามีคือใครก็คือคนที่หนีออกมาด้วยนะนะคือเป็นเด็กสาวบางทีก็มีความคิดในใชายหนุ่มแบบต่างๆก็แทนที่ว่าจะแต่งงานตามประเพณีแต่ว่าก็หนีตามผู้ชายคนนี้ออกมาหนีออกมาแล้วได้ลูกสองคนจะกลับไปที่บ้านเพื่อจะเยี่ยมมารดาบิดานะลูกก็มาเสียชีวิตระหว่างทางสามีก็ถูกงู ก, กัดอะไรต่างๆ จะกลับไปถึงบ้านฝนตกระหว่างทางหลังคาถลม่มนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายเจอความทุกข์มากเลยก็สุดท้ายมาพระพพทธเจ้าได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมขึ้นมาเรื่องดราม่าแบบนี้ก็มีที่วิหารเชตวันก็เรียกว่าถ้าใครศึกษาพุทธประวัติไปยืนอยู่นะพระมหาวิหารเชตวันแล้วก็จะได้ ตะลึกถึงหลายเรื่องผุดขึ้นมาเลย hmm. เพราะว่าประทับอยู่ที่นั่นนาน <Right. S 1> 25ปีโดยประมาณใช่ก็เลยได้มีเรื่องเกิดที่นั่นเยอะทีนี้ที่ฉันสงสัยนิดนึงคะ่ะท่านคะ mm hmm. ได้อ่านประวัติของการที่จะเกิดวัดเชตวันขึ้นว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยก่อนอื่นเป็นเศรษฐีที่ชื่อวสุทัตตะใช่ไหมคะ <Right. S 1> ใช่ใมีใจบุญ เคยนับถือลัทธิปริพาชคแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาสิจะแสดงธรรมให้ฟังการที่ทำให้เลื่อมใสพระพุทธองค์นั้นเพราะแสดงอนุปุปพิกถาค่ะ อ, อนุปุปพิกถานี่มีรายละเอียดเป็นอย่างไรย่อยๆนะค ะ, ะก็คือธรรมะที่แสดงไปตามลาดับไล่มาจากเรื่องของทานคือการให้ 2. อเรื่องของศีล สามเรื่องของสวรรค์สี่คือโทษของกามและห้าอ น, นิสงส์ของการออกบวชนะห้าอย่างแค่นี้เป็นไปตามลําดับทานศีลสวรรค์คือคนที่บริจาคทานรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์ใช่ไหมข้อที่สามพอสวรรค์แล้วมันมีกามมากก็ต้องเตือนในเรื่องโทษของกามในข้อที่สี่แล้วข้อที่ห้าอ น, นิสงฆ์ในการหลีกออกจากกามโอค่ะนะคะก็พอฟังทำชุดใหญ่นี่ เลื่อมสทันทีขอเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระพุทธองค์เองแล้วก็อย่างปราณาใช่ไหมคะในการที่จะสร้างวัดสร้างวัใจ่ค่ะ เ, เขาให้ไปดูบ้านของอนาถบินทิกะด้วยอดีดิวฉันเองไม่ได้ลงไปนะคะแต่แค่เห็นมองตรงเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นซากขรืหาดของอนาถบินทิกะ <c oughs> ก็ใหญ่โตมโหรานมากแล้วท่านผจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะ คือไม่ว่าขุดไปตรงไหนเนี่ยคุณจะเจอซากปรังหักพังหมดเลยออ <Okay. S 1> ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้คุณจะเอาจอบขุดไปตรงไหนขุดไปสักระยะหนึ่ง <Okay. S 1> ก็จะเจอซากปรังหักพังอยู่ทุกที่เลย oh. จน ก, กระทั่งเขาเบื่อที่จะขุดกันแล้วเห็นไหเออก็ก็เลยใครจะทําการก่อสร้างอะไรขุดไปเจออะไรต้องรายงานก็จึงมีกระบวนการทาง เ, เรื่องเกี่ยวกับการการปกครองที่เขาจะต้องบริหารจัดการกันไปเนะี่ยทีนี้ใน oh. บริเวณนั้นเนี่ย เขาก็ไปค้นพบหลักฐานเรื่ต่างๆโอ้มีมูลเขาเรียกว่าที่ขุดลงไปแล้วก็ไปเจอบ้านหลังใหญ่ก็เลยมีข้อคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของเศรษฐีที่มีฐานะและใครล่ะก็น่าจะเป็นอนาถาบินทิกาเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นะแล้วก็เขาก็เลยเอาซากปราคารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นตามมูลเดิมนะมีห้องหับอะไรต่างๆลงเงลก็มีที่เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นห้องเก็บสมบัติของเศรษฐีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะ เรจะมีมูลต่างๆตรงนั้นค่ะที่ไม่ได้ลงไปดูก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ไปดูครบทุกที่เรามีรายการโทรทัศน์ติดตามไปด้วยก็คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังทางช่องสามโดยคุณสมนึกเขมาชีวะซึ่งเดี๋ยวนันก็เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทำรายการอ่าสัมภาษณ์ท่านไพริบูลนี่แหละเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วนับตั้งแต่ท่านเป็นต้นมาก็ไม่ได้เดินครบแบบคนอื่นเขาอะนะคะแต่เนื่องจากว่าก็เคยไปมาก่อนอหรือว่าก็ได้อ่านหนังสือตั้งหาก็โอเคละบางทีบางอย่างที่ฉันมาฟังพร้อมๆกับท่านเลยนะคะท่านฟังคะทีนี้ท่านพิบูลคะเอาเป็นว่าสําหรับสาวสถีเนี่ยเดี๋วฉันคิดว่าก็พอประมาณละพอจะละจากสาวสถีเดินทางไปพาราณสีได้แล้วใ ช, ะะใช่ใช่ใรู้สึกว่ามันไกลเหมือนกันนะคะท่านคะจากสาวัถี ไปพารณพารณสีแปดชั่วโมงใช่นี้จะเป็นการเดินทางที่เส้นที่ยาวที่สุดเลยค่ะเราก็เลยมีการพักในระหว่างทางแวะพักเข้าห้องน้ํารับประทานน้ำปานาอะไรกันต่างๆอันนี้ใช่ที่เราไปแวะที่สุตานปู่ใช่สุตานปู่ ท, ท, ที่เรากินลัซซี่กันนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาาเรียกว่าอะไรนะคะอีกทีสุตานปู่สุตานปู่ปู่นี่ก็คือหมายถึงปุรีนั่นแหละสุตานก็คือสุลต่านนั่นแหละ เหมือนสุพรรณบุรีนี่ก็เป็นบุรีของสุลต่านสุลต่านปู่เขาเรียกแต่จริงๆแล้วเป็นมูลนิธิก็จะมีคนไท<า>ยที่เขาไปสร้างวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระสงฆ์ที่ไปดูแลก็เป็นสาขาของวัดไทยสารนาฏโดยเหล่าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปานท่านก็ไปสร้างเป็นที่ให้แวะพักในระหว่างทางได้ค่ะที่นีพูดถึงสถานที่ในลักษณะนี้นะคะคือคล้ายๆกับที่ ลุงพินีที่มีการปิดระเตรียมสถานที่ให้สะดวกสบายกับผู้ที่เดินทางไปทาบุญเนี่ยที่นี่ก็เช่นเดียวกันลองคิดดูสิคะ ว, ว่าแปดเก้าชั่วโมงแล้วไม่ใช่วิ่งแบบไฮเวย์นะคะทั้งคะความจริงระยะทางไม่ไกลแต่ที่วิ่งกันช้านะเพราะวิ่งกันตามสภาพของถนนระยะทางนี่จะอยู่ประมาณ3า0รอยี่สบกิโลเมตรต่อแปดชั่วโมงนะคะก็ก็ทาให้ทุกคนเนี่ยได้พักบ้างก็ดีเพราะว่าก่อนหน้านั้น คนสูงอายุก็เยอะเราจะต้องแวะถ่ายทุกหนักทุกเบากันนะคะก็จะอาศัยห้องน้ำเคลื่อนที่ที่ต้องถือว่าคณะนี้ได้เตรียมไปให้พวกเราไม่ต้องอยู่ในสภาพที่อุจจารกันมีการเข้ากระโจมเพื่อไปปลดความทุกข์แล้วแต่จะหนักเบาของแต่ละท่านแล้วกระโจมของเราก็จะย้ายหนีกองทุกนั้นไปเรื่อยๆ <c oughs> นะค ะ, ะจะว่าสนุกสนานก็สนุกแล้วก็เห็นความสมัคีมีน้าใจของเพื่อนที่ร่วมเดินทาง คือเขาจะช่วยกันอย่างไม่รังเกียจกันอืเพราะว่าอย่างนี้นะคะทีนี้ไปพักที่นี่ที่อยากพูดก็คือว่าดิฉันเชื่อว่ามีคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ได้มีโอกาสอเหมือนกับได้ร่วมสร้างก็อนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้เลยนะคะอ <kay. S 2> เพราะเป็นที่ที่สะอาดสะดวกสบายทําให้หายเหนื่อยทําให้อิ่มท้อง อ, อย่างลัซซี่เมื่อกี้ท่านจะอธิบายคืออะไรนะคะจริงจริงเป็นอนม ที่ผ่านการหมักเป็นเยื่อแล้วเขาก็จะเอามาปั่นมาค้นมากวนมาตีก็จะได้เป็นผลิตภัผลที่เรียกว่าลัสซี่ออกมาก็เป็นอาณาของพวกเราได้เลยเป็นมีคุณสมบัติเป็นยาพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้ไว้ในภูมิชาสูตรเอก็ตรัสที่สาวัตถีนี่เหมือนกันพูดถึงว่าเปรียบเทียบว่าระหว่างถ้าเราเอาทรายลงไปในหม้อแล้วก็กวนแล้วก็ปั่นเนี่ยคุณจะไม่ได้ลัสซี่แต่ถ้าเอานมที่หมักเป็นเยื่อแล้วกวนแล้วปั่นต่อให้คุณหวังหรือคุณไม่หวังก็ตาม คุณก็ต้องได้ไดละสี่ค่ะ น, น, นี่คือเปรียบเ ท, ทีย บ, บว่าถ้าเราปฏิบัติตามมาร์กแแต่ต่อให้คุณหวังหรือไม่หวังคุณต้องได้ผลแต่ถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามมาร์กแดนะต่อให้คุณหวังหรือคุณไม่หวังคุณจะไม่ได้ผลค่ะพระพุทโธของเราจะอุปมากับของที่ใกล้ตัวอของผู้ฟังนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆ บางตอนแรกบางคนอาจจะนึกถึงเอพระพุทธองค์ในสอนธรรลัทธิด้วยหรอไม่ใช่นะคะเป็นการเปรียบเทียบอนุโมทนาอีกครั้งจริงๆและฉันเชื่อว่าการที่ได้ส่งเสรมิมการทําบุญในลักษณะนี้จะมีคนอนุโมทนาคุณตลอดเวลาที่เข้าไปนั่นแหละค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใสถาน <c oughs> ที่เหล่านี้เนี่ยอํานวยความสะดวกได้มากคือครูบาอาจารย์มาสร้างเอาไวา้คือถ้าไม่มีที่นี่มันจะต้องลําบากกันกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น960ที่เราแวะพักได้ตอนระหว่างชายแดนอินเดียในปาน หน้าเก้าศูนยที่สุต้านปู้นนี้ก็ตามก็เป็นที่ธรรมทูตสายอินเดียในป่านเนี่ยท่านไปสร้างไปทํากันเอาไว้ค่ะนะแล้วเนื่องจากว่าเราเดินทางกันนานถึง8ดชั่วโมงเราจึงไปถึงเมืองพราราณสีตอนค่ๆแล้วเห็นสวรรค์เลยคะ่ะโรงแรมที่ดีนีแล้วก็ที่พราราณสีนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ก็มีหลากหลายโรงแรมที่เราเลือกพักกันได้ ทีนี้เมื่อมาถึงพรารณสีก็ตัวเมืองพรารณสีเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไปประมาณสัก8กิโลเจดหรือแดกิโลแต่จุดที่แสดงธรรมก็เรียกว่าสารนาศสารนาศเนีาา่ยเป็นแขวงเมืองพรารณสีตรงนั้นจะมีป่าที่เรียกว่าป่าอิสิปัตนะมฤุกตาญวันพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพบกับปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหานั้นที่ตำแหน่งหนึ่ง เป็นพิสูจ์ 5, คุยกันโต้กันอยู่สามรอบยังไม่เชื่อเดินหนีไปจนถึงป่าอีสิปตนะท่านเดินตามไปนะแล้วกเ็เชื่อกันแล้วเอาลองนั่งฟังธรรมดู้วนะก็เลยเป็นที่มาที่แสดงธรรมจากเกบปตนะสูตรแต่เขาก็สร้างสถูปตรงนั้นไว้เป็นที่ระลึกอันหนึ่งเรียกว่าทำเมฆขัดสถูปถือว่าเป็นเป็นการเทศบทแรกโอี่อถเรเถรเลื่อนลั่นโลกเลยละ่ะ ค่ะนนสาระสําคัญสําหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งมาฟังนะะท่านคืออริยสัจสอริยสัจสในเรื่องสําคัญเลยในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้ น, นะ ค, ะคือไม่มีใครที่จะมาอธิบายว่าตัณหาเป็นทุกข์คือเขาจะพูดไม่ได้แต่ว่าเป็นการบัญญัติแจกแจงไว้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ขันห้าเนี่ยคือทุกข์คุณจะบอกว่าขันห้าไม่เป็นทุกข์คุณจะพูดไม่ได้เลยหรือว่าจะบอกว่าตัณหา เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์คุณจะพูดไม่ได้เลยคือจะคนอื่นจะมาหมุนทวนกลับให้อริยสัจสี่นี้เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยคุณจะทําไม่ได้ค่ะมีการสัมภาษณ์ท่านเพบูบุญกันนอกรอบนะคะว่าท่านเพบูรณ์เองเนี่ยเห็นว่าสังเวชณีที่ไหนมีความสําคัญมากท่านตอบวาที่นี่นะคะเอในความเห็นของรรมาใช่อ่าเพราะว่าเพราะว่า เรื่องคนที่จะมาตรัสรู้ตามพระพรุทธเจ้าได้นี่มันสําคัญคือคือท่านมีความสามารถนี่ใช่ไหมล่ะท่านก็ตรัสรู้ได้ท่านความเพียรมาท่านทำมาก็โอเคนั่นก็พุทธิพุทธคยาที่ท่านตรัสรู้แล้วแต่ว่าคนอื่นที่จะมารู้ตามท่านได้นี่มันไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนคนนั้นเขาต้องมีบุญมีกุศลมีทุลินในดวงตาน้อยแล้วรู้ตามได้นี่โอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม อที่พันธุสีเนี่ยบุ้มสมมุติว่าท่านอัญญากรณัญญาเนี่ยกรัญญาไหนละ่ะกรัญญาที่รู้ตามพระพุทธเจ้านั่นแหละ ก, ก็จึงเรียกว่กรัญญาผู้รู้คืออัญญากรณัญญาเนี่ยท่านรู้แล้วนี่ก็บุ้มทีหนึ่งคือหมายว่าคนที่จะมามีความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเสียงนี้มันจะก้องอยู่ตลอดเวลาเนคะุณโยมติควนะคนที่เขาบรรลุธรรมอนะค่ะบรรลุธรรมก็หมายความว่า พระยากรัญญาเนี่เป็นพระอรหันต์พระองค์แรกจากการตรัสสอนโดยตรงของพระพุทธองค์ด้วยเทศกันแรกวางอาหาเอาแค่โสดาบันก็ได้โสดาบันพอท่านบรรลุโสดาบันอ๋อค่ะแล้วก็จะมาเทศย้ําในเรื่องที่2คืออนัตตลกนัสสุดสองสมันเนี่ยติวเข้มกันเลยติวเข้มกันสองรูปไปบินดาบัดอีก4ี่รูปเอาอาหารมาเลี้ยงกันอีก4รูปอีกสรูปไปบินดาบัดมาเลี้ยงอาหารกันอีก3มรูป6รูปเนี่ยผาดกันไปบินดาบัดบ้าง พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบินน ะ, ะ, อะสองรูปไปสามรูปไปแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงกันสองถึงสามวันติวเข้มกันอ่ะตลเขณะตลักณคณะสูตรสาระสำคัญคืออย่างไรคะคือเรื่องขันห่านะคืออริยสัจสพูดถึงเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมากใช่ไหมแล้วอณะตลักณคณะสูตรเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องทุกข์คือขันห่าเนี่ยมาอธิบายแจกแจงเพิ่มเติมนะคือเจาะลงไปตรงขันห จอดลงไปตรงขนาดเรื่องของว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนตัตตลักษณ์ขนาดก็จะมีสถูปข้างๆที่เป็นที่สร้างเพื่อที่จะแสดงถึงอ น, ตนัตตลักษณ์ขนาดคือระลึกถึงอ น, ตนัตตลักษณ์ขนาดสุดนะนะแต่สถูปนั้นก็ถูกทุบทําลายไปในเมื่อสักปาศาพันกว่านี่แหละค่ะแล้วก็เอาอิฐเนี่ยไปสร้างท่าน้ําที่เมืองที่แม่น้ํำคงคานั้นอค่ะก <Uh, oh, oh, <okay. S 2> ็เลยเห็นถ <St ate> ึงสถูปชิบสถูปอ่าธมราชิกสถูปใช่ใช่ค่ะ ะะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีธรรมะบทหัวใจบทหัวใจอืจําหลักไว้ที่นั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะเล่มไหนการเทศปุดใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์เชื่อมกลับมาที่ธรรมจั ก, กรปนสูตรนี้ได้แน่นอนเนืเพราะว่าเป็นอริยะสัจสี่นีไม่ว่าจะ เ, เรื่องของอานาปนาสติเรื่องของมงคลสูตรเรื่องอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสที่อื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ย แตกออกมาจากตรงนี้<ท Young>ก็เท่ากับว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราควรที่จะรู้เกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตนนสูตรแล้วก็เข้าใจตรงนี้ ใ, ให้มากที่สุดคุณจะต้องสามารถท่องได้ทั้งบาลีและไทยออค่ะมันจะดีมากเลยนะมีการแจกหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะตอนที่เดินทางไปทั้งภาษาบาลีแล้วก็คําแปลทั้งสองบทเลยธรรมจักรกับอนัตตลคณสูตรใช่แล้วคุณจะต้องท่องได้ให้ขึ้นใจเลยมาว่านะคุณถึงจะแบบแหม นี่สิคืนคนที่ศึกษาคําสัอนของพระพุทธเจ้าจริงๆค่ะแล้วก็ต้องกลับเรียนท่านด้วยนะคะว่าเช่นเคยเหมือนกับสังเวชนียสถานอื่นๆก็มีการจัดเตรียมสถานที่ลําโพงเครื่องเสียงเนียบมากให้พวกเราได้ฟังพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เหมาะสมกับสถานที่แห่งนั้นพร้อมกับปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันค่ะอืมแล้วก็นอกจากอาการ มรรลุธรรมของท่านพระัญญากณธัญญะที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้รวมถึงภิกษุทั้ง5ด้วยเนี่ยก็ยัมีเรื่องของยัส า, ากุลบุตรที่มีวลีที่เด็ดมากเลยว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในเมืองยู่ในเะมืองพราณสีนเห็นความวุ่นวายความขัดข้องในเรื่องของตนเหนะมือนกับเป็นซากศพก็คือพวกนางงามนางรามะเรื่ต่างๆเนี่ยนะ คือในคืนนั้นเนี่ยยาศากุลบุตรเนี่ยเขานอนหลับไปก่อนเียพวกลูกน้องที่มาให้ความสำเริญสำราญบันเทิงใจอะไรต่างๆก็นอนหลับที่หลังเดี๋ยวนี้พอนอนหลับแล้วเผลอสติเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนตอนที่กำลังตื่นอยู่เนเช่นวบาบางคนน้ำ ล, ลายไหลบางคนอะไรมันผมยุ่งหัวกระเซิงโหดูเหมือนเป็นป่าช้าผีดิบเนี่ยสหรับท่านพระยาศะเอ่อตอนนั้นยังเป็นการวาสอยู่ ก็เลยเห็นว่าโอ้ตรงนี้วุ่นวายตรงนี้ขัดข้องก็เลยเดินออกมาจากเมืองพัตตาสีมาทางป่าอีสิปัตตนีมาด้วยตยวันพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นท่านยสะนี่ก็บ่นมาตลอดทางที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยัสส์เตอจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังโอ้โหคานี้มันมันมัน มันสําคัญมากนะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเนะ<า>นี่ยค่ะแต่คือในความวุ่นวายในความขัดข้องเนะี่ยถ้าเราดับความวุ่นวายความดับความขัดข้องนั้นได้นั่นคือที่ที่จะไม่วุ่นวายที่ที่จะไม่ขัดข้องนะื<า>ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ดับได้แน่เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข<า>์ค่ะก็เห็นบอกว่าแสดงอนุปูพิกถาอีกเช่นเดียวกันกับที่แสดงกับนาถาบินทิกาเศรษฐีใช่ใช่ แล้วพอจิตของท่านเนี่ยเหมาะสมอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็ได้ตรัสเรื่องของอริยสัจสี่สามอีกที่นั่นก็มีพระอรหันเกิดขึ้นทั้งหมด60สิบรูปคือ น, นอกจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมท่านยัสส า, ากุลบุหนึ่งแล้วก็ยังมีสหายอของท่านอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจาอีกหนึ่งเป็น61 ตอนนั้น <Okay. S 2> มีพระอาหารหันเกิดขึ้นแล้วหกสิบรูปที่ป่าอีสิปัตนามรุกัตยไทยวันนั้นอ๋อค่ะก็นับว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ได้ได้ผู้ที่สำเร็จบรรลุธรร ม, มจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะใช่ใช่ช่วงเวลานั้นก็สามเดือนนะ <Okay. S 2> เพราะว่าวันที่แสดงธรรมจากนี่คือวันอาสาฬหบูชาใช่ไหแล้วก็ผ่านไปอีกสามเดือนมาหนกพรรษาแล้ว ก็มีพระอาหารหันต์ทั้งหมดห0สิรูปในช่วงนั้นก็จะมีการแสดงธรรมทั้งให้กับเครือหัดทั้งให้กับพระภิกษุต่างๆที่ที่อยู่ในบริเวณนั้นค่ะแล้วพระภิกษุพระอาหารหันต์ห0สบรูปนี่ก็ได้ถูกส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเน้นไม่ให้ไปในทางเดียวกันใช่อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของพระพุทธองค์เลยนะคะ ที่ว่าดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าคือพอให้แยกย้ายกันไปเนี่ยก็จะทำให้ศาสนาคำสอนของท่านเผยแผ่ในวงกว้างได้รวดเร็วใช่ไม่ไปกระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งใช่ต่อจากนั้นค่ะท่านคะก่อนที่เราจะไปแม่น้ำคงคาท่านไปบุญบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่จะต้องไปให้ได้คือเราไปแวะที่วัดไทยสารานาศนะคะไปแวะหาความร่มเย็น ประทานอาหารพักผ่อนช้อปปิ้งแล้วท่านไปบุญบอกว่าพอหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ไปวัดที่มีพระสำคัญสำหรับสังเวชนิยสถานสถานที่แห่งนั้นหรือพระรูปนั้นคือท่านใดคะ อ, อก็เป็นวัดของชาวศรีลังกานะที่ท่านมาสร้างไว้คือท่านธรรมปาละธรรมปาระนะซึ่งท่านเป็นคนที่ต่อสู้นะให้ต้นโพเนี่ยนะบริเวณต้นโพที่พุทธคยาเนะี่ยได้กลับมา อยู่ในความดูแลของชาวพุทธแต่เพราะว่าในสมัยก่อนช่วงที่อังกฤษเป็นอนาณานิคมเนี่ยพวกมหารคืออีกศาสนาหนึ่งเนี่ยเขาดูแลรักษาบริเวณพื้นที่นั้นอยู่แล้วก็บริเวณต้นโพลและเจ ด, ดีที่พุทธคยาเนี่ยโหเสื่อมโทรมมากท่านธรรมปาละเนี่ยอาาคาริกธรรมปาละเนี่ยก็เป็นคนที่คอยต่อสู้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธแล้วก็ตอนช่วงท้ายของชีวิตของท่านท่านก็เดินเท้าจากที่พุทธคยาเนี่ย ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาที่แสดงธรรมจักเนี่ยคือที่ปารันตสีเดินเท้ า, าเดินตามาสนะิบห้าวันช่วงนั้น <Wow. S 2> แล้วก็มาถึงแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณรคือตอนที่ท่านต่อสู้อยู่ในเป็นคารวาสนะท oh, ่านอ <okay. S 2> นาคาริกธรรมปาละจนกระทั่งมาในช่วงปีสุดท้ายหรือวันสิบแปเดือนสุดท้ายของชีวิตท่านเนี่ยก็ได้บวชเป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระ <Okay. S 2> แล้วก็จบชีวิตลงที่ที่นั่นชาวศ oh, <okay. S 2> รีลังกาก็มักจะมาที่วัดที่นั่นอยู่ก็ <Okay. S 2> จะมี รูปจำลองของพระพุทธรูปที่เขาว่ากันว่าสวยงามที่สุดเลยค่ะคือปางแสดงธรรมจักรที่จะยกมือทั้งสองขึ้นเนี่ยน ะ, ะข้างล่างตรงฐานพระนี่ก็จะมีรูปธรรมจักรแล้วก็มีพระอยู่ห้ารูปเ ป, เป็นแสดงสั ญ, ญลักษณ์ถึงปัญจวัคคีย์เหล่านี้ค่ะที่นั่นเราได้เา้าเรียกว่าปีติใจเพราะว่ามีการอนุ ญ, ญาตให้เราไปเดินวนรอบ พระพุทธรูปสําคัญนั้นแล้วเมื่ออ้อมไปด้านหลังปุ๊บจะมีพระภิกษุชาวศรีรังกานะคะได้นําเอาอัญเชิญเอาอพระบรมราชาลีริคธาตุค่ะพระบรมรารีนิคธาตุมาม า, มาครอบบนศีรษะของทุกคนอืภายในพระโบสถ์หรือว่าวิหารแห่งนั้นเนี่ยก็มีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่แปลกตาเป็นสีพลส์เทลนะคะแล้วก็วิธีการวาดนี่ไม่เหมือนคนไทยเพราะว่าเป็นรูปชาวญี่ปุ่นนะคะวาไทย ที่นั่นก็มีที่ที่จะให้ไปเยี่ยมชมอยู่หลายที่ยกตัวอย่างเช่นมีต้นโพใช่ไหมคะท่านเห็นมีพระสงฆ์ไทยที่นำอยู่ในรถคันอื่นนะคะท่านก็จะพาอีกคณะหนึ่งไปชมแต่ดิฉันก็ไม่ได้เดินตามไปเพราะว่ารถคันที่นั่งเขารวมคนอีกที่หนึ่งแล้วอนื่อนที่เมืองปารีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนอกจากเอสถานที่แสดงธรรมจักรแล้วแต่ก็ยัมีแม่น้ํำคงคาพนะระพุทธชา้าก็เคย เทศสอนเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ํำคงคานี้หลายอย่างนะแล้วก็เกร็ดอีกตรงหนึ่งก็คือว่าสถูปที่เรียกว่าธรรมราชิกาสถูปเนี่ยนะ ท, ที่บอกว่าถูกทําลายลงแล้วก็เอาอิฐไปสร้างเป็นท่าเรือที่แม่น้ํำคงคาเนี่ยกษัตริย์ที่ทําอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พบมีมีพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่โอโดยความเชื่อของชาวฮินดูกษัตริย์องค์นี้ก็เป็นฮินดูนะ <The beach> เก็เลยว่าเอา้ากระดูกของบุเจ้าอยู่ที่นี่ทําไมไม่เอาไปลอยน้ำํำเราจะไปเกิดได้ยังไงเราจะไม่ไปสู่สุคติก็เลยเอากระดูกนั้นเนี่ยไปลอยในแม่น้าําคงคาอ่าหน่าเสียดายมากเลยเพราะฉะนั <laughs> ้นในแม่น้ำคงคาเนี่ยใต้แม่น้ำนั้นก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เ oh. พราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนพุทธเนี่ยหรือแม่อย่างคณะของวัดบารนัโศกนี่ที่เราเอาดอกไม้มาบูชาตรงแม่น้ําเนี่ยก็เพื่อที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้ อ๋อไม่ได้ไบูช า, บาแบบชาวฮินดูอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่บูชาแม่คงคาแต่บูชาพระบรมสารีริกธาที่อยู่ใต้แม่น้ํำนั่นก็ได้เห็นภาพนะคะที่มีหลายๆท่านถ่ายกันมากันลอยเรือกันอยู่ลําใหญ่เบื้องเริ่ยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าโอ๊ยปิติมากมาครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้เห็นแต่ครั้งนี้ได้เห็นพิธีบูชาไฟอ่าใช่ท่านยังได้เห็นการ นำศพไปลอยในนั้นไหมคะเขาเขามีทํากันอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยหยุดเลยมีอเผายังไม่ทันจะมันจะไหมยังไม่หมดก็งัดตึ้มลงแม่น้ําไปเลยค่ะคือดิฉันเคยอ่านก็บอกว่าถ้าครอบครัวของคนตายเนี่ยไม่ได้มีฐานะอะไรมากนะคะอเผายังไม่ทันไหมหมดเนี่ยเคี่ยวๆลงมาเถอะคนที่นั่นก็ไม่ถือเพราะเขาถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เอาบาปมาลอยเอาความสกปรกมาชําระเป็นความสะอาดได้ ไปสวรรค์กันก็ได้นะทีนี้ล้างบาปก็ได้นะคะทำบาปกลางวันกลางคืนไปไปล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกลางคืนตอนเช้าไปล้างเอออะไรอย่างเงี้ย น, นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ธรรมะต่างๆว่าการที่จะชำระกิเลสต้องทำด้วยวิธีดใด<ช>แต่ว่าวันนี้เราถือว่าพาครบแล้วนะคะท่า น, น, านถามท่านคำได้ไหมคะเหนื่อยไหมคะ เนืเมื่อเนี่ก็ธรรมดานไม่ว่าจ ะ, ะจัดงานประเภทไหนไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมจะจัดทริปการเดินทางแบบนี้ก็ตามเนื้อเมื่อธรรมดาแต่ว่าพอเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วทุกคนมีจิต ใ, ใจเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้มันคุ้มค่ากันค่ะดีฉันก็ได้ยินนะคะคนที่มาติดตามผลทีหลังถามว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างเ้าบอกนั่งสมาธิดีขึ้นมแม้แต่กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวที่ปกติข้านั่งสมาธิอยู่แล้วเขาบอกจริงๆนะ นั่งสมาธิได้ดีขึ้นดัง<ช>ที่ท่านพิบูลได้พูดไว้เจริยปานงั้นก็คงน้อมสักการขอบพระคุณท่านแต่เพีงเท่านี้ น, นะคะเจริยปานขอบพระคุณค่ะนั่นฟังคะคุยกันมาจนหมดเวลาพอดีเลยส่วนท่านที่สนใจว่าครั้งหน้าจะมีต่อไปหรือไม่ฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆนะคะดิฉันเองก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเราก็เพิ่งกลับมากันใหม่ๆแต่ว่ารายการธรรมะของเรานั้นมีเป็นประจําค่ะท่านพิบูลเองพบทุกวันเลยนะคะกับท่านผู้ฟังดิฉันเองพบเฉพาะวันพระหัสสวัสดีกับวันศุกร์ เราอาจจะไม่ได้สนทนาถามถามคำถามให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ยังมีคำถามค้างอยู่สัปดาห์ต่อไปมาติดตามนะคะจะค่อยๆผ่อนสมค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวัตสวัสดีค่ะ